เราได้ยินได้ฟังกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็กําลังศึกษากันว่ารูปนั่งอยู่ตรงไหนรูปนอนอยู่ตรงไหนรูปยืนอยู่ตรงไหนรูปเดินอยู่ตรงไหนเพราะในอิรยาบทประพาทันบอกไว้ชัดเจนว่าเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้รูปเดินรูปเดินก็อยู่ที่อาการท่าทางที่ก้าวเดินถ้ายังไม่มีการก้าวเดินรูปเดินก็ยังไม่ปรับรูปยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกิยาอาการท่าทางที่กําลังยืน ถ้าไม่มีรูปยืนไม่ได้ยืนอยู่รูปยืนก็ไม่มีในกิริยาการที่กําลังยืนดูรูปเดินยืนนั่งนอนนีเขาสําเร็จด้วยจิตมีจิตเป็นสมุดฐานมีจิตเป็นสมุดฐานรูปเดินยืนนั่งนอนจึงสําเร็จอยู่ได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปดูนามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเกิดหรอกเราดูผลคือรูปที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันรูปเดินอยู่ตรงไหนรูปยืนอยู่ตรงไหนรูปนั่งอยู่ตรงไหนรูปนอนอยู่ตรงไหน ท่านบอกไว้ว่าญาขายาถาวาปัญสกาโยปนินโตวสิทธิอถาตถานามวัปชานาสิบอกมเมื่อเธอตั้งใจไว้ในอาการอย่างใดก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งไว้ในอาการนั้นๆนั่งอยู่ก็รู้ที่อาการท่าทางที่นั่งนอนอยู่ก็รู้ที่อาการท่าทางที่นอนยืนอยู่ก็รู้ที่อาการท่าทางที่ยืนหรือเดินอยู่ก็รู้ที่อาการท่าทางที่ต้องดูรูป อิริยาบถที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราเรียกว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์ไม่ให้คิดเลครับแค่นี้รู้รูปอิริยาบถที่กําลังปรากฏเฉพาะหน้ารู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาแยกความเพียดสติความระลึกได้ในอารมณ์นั้นสามปรชัญญากคือความรู้สึกที่ตัวรูปรู้สึกในอาการท่าทางรูปอาการท่าทางอย่างนี้เรียกว่ารูปเดินหรือรูปยืนรูปนั่งรูปนอน ตามอาการ ต, าต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ตามวามเป็นจริงนี่แหละก็คือการยนิโสมนสิกันถามว่าเราไปเอาใจใส่ว่าเวลานั่งอยู่เนี่ยมันเกิดเวทนาขึ้นมาทุกเวทนาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปดูนามเวทนาได้ไหมเพราะเวทนาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เพราะสติปัฏฐานเหมือนกันหรือเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยจิตมันไปคิดเรื่องอื่นไป เราไปรู้ว่าจิตคิดอะไรนี่ได้ไหมก็เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการของการเจริญสติปัฏฐานเพราะท่านกำหนดไว้กฎเกณฑ์ไว้ตายตัวว่ากายเยกายานุปสีวิหารติว่าพิกูดทั้งหลายเนี่ยเมื่อเธอจะพิจารณากายในกายให้พิจารณากายหนึ่งกายหนึ่งเริม อ, อยู่ พิจารณารูปรูปกายโดยความเป็นรู ป, ปธรรมหนึ่งๆดิเพื่อให้สติสัมปชัญญะเนี่ยมีกาลังไปกำจัดในความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นเสียได้ไม่งั้นเรากำจัดเขาไม่ได้พิจารณากายในกายหนึ่งๆก็ดูรูปในประเภทของรู ป, ปธรรมนั่นเองทุกอิจาราเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องตามไปรู้ทุกอนให้ยืนยันว่าอะไรเป็นทุกนันเอง เราก็จับได้ว่ารูปนั่นแหละเป็นทุกข์ถ้าเราไปย้ายไปเปลี่ยนเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไปดูเวทนาเสียนี่ย้ายฐานไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิทธาภิโตเวภิกุก迦กา ย, ยกายนุปัสสีวิหรารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยยโลเก อ, อภิชาโทมนัสสังท่านบอกภิคุในภษาศาสนานี้เนี่ย ย่อมพิจารณากายในกายเนืองๆอยู่แล้วก็มีปัญหาว่าพิจารณากายในกายอย่างไรกายเนยหมายถึงรูปรูปกายเราเนี่ยในหมวดในประเภทของธรรมอันนั้นแหละกายในกายเนี่ยิยรยาบทปพั้นเนี่ยมีรูปธรรมอยู่สี่รูปเดินยืนนั่งนอนนั่นแหละเราพิจารณาอยู่กับรูปเดินหรือรูปยืนหรือรูปนั่งรูปนอนนั่นแหละ นี่เรียกว่าพิจารณากายในกายไม่ใช่พิจารณากายในเวทนาไม่ใช่พิจารณากายในจิตพิจารณากายในกายนี่แหละนึกื่อนแต่ว่าถ้าเป็นธรรมแล้วก็ไอ้กายมันก็อยู่ในธรรมเหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เราอบรมสั่งสอนกันเราดูอิริยาบถเนี่ยดูรูปนั่งเนี่ยะพอรูปนั่งเมื่อยเป็นทุกข์ก็ดูเวทนา เวทนาจิตมันก็รู้เวทนาถ้ามีคิดจะเปลี่ยนก็ดูจิตดูจิตเปลี่ยนไปแล้วก็ดูรูปนี่ก็วนเวียนกันอยู่นี่กายเวทนาจิตทำล้วบอกว่าต้องเป็นไปให้รู้ทั่วอย่างนี้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอันนี้ก็ตูพุทธพจน์แลวเรียกว่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําไมให้ดูอย่างนั้น การบอกจะดูกายก็ว่าดด้วยกายไปมีกี่อย่างล่ะอิรยาบดปัปพะสี่สัมปชัญญปะปัปพะอีกเจดในประเภทของรูปกายด้วยกันเมื่อจะดูเวทนาก็ในเวทนาหนึ่งเนืองอยู่เวทนานั่นมีเก้าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรทุกขเวทนาที่เจอด้วยอามิตรอทุกขมาสุขเวทนาที่เจอด้วยอามิตรคือที่ได้มาจากกามอารมณ์นั่นแหละ และสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h อาจทุกขมาสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h นี่ก็พวกที่ไม่เกี่ยวข้อง ก, กับกามคุณอารมณ์พวกทําให้จิตสงบได้ฌานและฌานสุขเกิดขึ้นพอฌานเสื่อมไปก็ทุกข์ละทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราทําฌานจิตให้สงบนิ่งอยู่วางใจเป็นกลางเฉยอยู่อาทุกขมาสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h เกี่ยวกับกันทําฌาน ไม่เกี่ยวกับการรับกามมอาุนี่ก็แยกแยะออกไปในประพวกเวทนาด้วยกันน่ะพิจารณาเวทนาในเวทนานไม่ต้องพิจารณาเวทนาบ้างรูปบ้างจิตบ้างไม่ใช่อย่างนั้นท่านจึงเปรียบเทียบไว้ว่านิพพานนั้นเหมือนนครแห่งหนึ่งมีประตูมีกำแพงล้อมสี่ด้านแต่ละด้านมีประตูเข้าออกใครอยู่ทางทิศเหนือก็นำสินค้าทิศเหนือเข้าประตูด้านเหนือเข้าไปถึงเมืองได้ ใครอยู่ทิศใต้นำสินค้าทิศใต้เข้าไปทางนำสินค้าทางทิศใต้ก็เข้าไปในเมืองได้ใครอยู่ทางทิศตะวันออกนำสินค้าทางทิศตะวันออกเข้าไปในเมืองก็เข้าไปถึงในเมืองได้ใครอยู่ทิศตะวันตกนำทางสินค้าในทิศตะวันตกนั้นก็เข้าเมืองได้ไม่ต้องวนเข้าทุกประตูทุกประตูอันนี้ท่านก็ในมหาเศิษฐีประธานท่านก็ชี้ไว้ชัดเจนว่าทางใดทางหนึ่ง ประตูนั้นก็เหมือนกับกายเวทนาจิตธรรมจะเข้าดูรูปอย่างเดียวก็ได้ดูนามเวทนาอย่างเดียวก็ได้ดูจิตอย่างเดียวก็ได้ดูธรรมก็สามารถเข้าไปถึงในเมืองคือเข้าไปถึงนิพพานได้นี่เราก็ต้องศึกษาเราเรียนรูปนามน่แหละเป็นปัจจัยอยันสำคัญแล้วก็ได้เข้าใจรูปเข้าใจนามแล้วเนี่ย ก็นำไปใช้ในการปฏิบัติในการเจริญสติปัญญาจริงๆที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วเนี่ยไอ้รูปนามนี่รับปรากฏขึ้นตามทวารทั้งหกเกิดขึ้นตามทวารทั้งหกงขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้เป็นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนี่เนี่รูปนามเขประชุมกันที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแต่ว่าสติปัญญาของเราเนี่ยไม่พอ สติปัญญาของเราเนี่ยจะอ่านรูปนามตามทวารทั้งหกนี่สติปัญญายังไม่เข้มแข็งพอท่านให้ปฏิบัติฝึกอบรมสติอบรมปัญญาเนี่ยตามสติปัฏฐานก่อนตามสติปัฏฐานทีนี้สติปัฏฐานนี่เราก็ต้องไปศึกษาอีกว่าสติปัฏฐานนั่นนะ่ะคืออะไร นี่พระพุทธองค์ตรัสว่าบอกว่าเอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเทวานังสมะติกมายะทุกขะโทมนัตสานางอัตถังมายะยายสัตถิมายะนิพานัสสัตฉิกิริยายะยะทิทางจัตตาโรส ต, สติปัฏฐานาท่านชี้อนิสงค์ของสติปัฏฐานไว้ก่อนบอกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้นแหละ ที่จะยังพิกลทั้งหลายเป็นหนทางเดียวทั้งนั้นแหละที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดหยดจากกิเลสได้ก้าว่วมความเศร้าโศกเสียใจดับเสียซึ่งความทุกข์ตะโสมทุกกายทุกใจให้บรรลุอริยามรรคอันประกอบด้วยองค์แปประการให้ไปแจ้งปณิพานธ์หนทางนั้นคือสติปัฏฐานสตทนตาลบไปถามว่าแล้วถึงสติปัฏฐานหรือย่าง ยังเรายัางไม่ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานเลยเป็นแต่เพียนท่านกลืนกล่าวไว้ว่าหนทางที่ทําให้หมดจดจากกีเลชทําให้แย้งผลิพานพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นต้องอาศัยปฏิบัติตามหลักคําสอนในสติปัฏฐานยังไม่รู้ว่าหลักคําสอนในสติปัฏฐานว่าอย่างไรเลยแต่ว่าเรารู้หลักการไว้ก่อนนี่เป็นหลักการบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายทางนี้เป็นทางอันเอก เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงความโศวความร่ําไรเพื่อความดับไปซึ้นทุกขโทมนัทเพื่อบรรลุเยียรธรรมคืออริยมรรุเพื่อกระทำพรนิพพานให้แจ้งหนทางนั้นคือสติปัฏฐานสิทธิ์พอท่านตั้งอุเทศสติปัฏฐานนะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้สัต์หมดจดจากกิเลสแจ้งพระนิพพาน พ้นจากทุกข์ได้ผลทางเดียวคือสติปัฏฐานสีท่านก็ตั้งปัญหาเพื่อจะวิจารณ์ต่อไปว่ากตเเมจัตตาโรสติปัฏฐานาว่าสติปัฏฐานสี่น่ะเป็นยังไงที่ว่าสติปัฏฐานสี่น่ะเป็นยังไงท่านก็ตอบอิท่าพิคเวพิคูกายเยกายานุปสีวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนโอสติมาวิเนยโลเกอพิจาโตมนัสสันี่เขาเรียกนิเทศขยายความออกไปสติปัฏฐานก็ให้มีสติพิจารณากายในกายเนืองๆ อ, อยู่มีความเพียรอย่างกิเลสให้เราร้อนมีสติมีปัญญาย่อมการจัดอภิชาและโทมนัดจะได้นี่อันหนึ่งหนึ่งในสติปัฏฐานสิหรือว่าเวทนาสุเวทนานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนโอสติมา วิเนยโลเกออภิชาโทมนัสสังหรือว่าพิจารณาในเวทนาเวทนาในวิทนาเนื่งเนืออยู่มีความเพียรอย่างกิเ็จให้เราร้อนมีสติมีปัญญาย่อมการจัดอภิชาและโทมนัสจะได้ในโลกอย่างที่สองนี่ดูเวทนาหรือว่าจิตเตนะจิตตานุปัสสีวิหรารติอาตาปีสัมปัชโนสติมาวิเนยโรเกออภิชาโทมนัสสัง พิคูลในภาษาสนานี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเดิมอยู่มีความเพียรอย่างกิเลสให้เราร่อนมีสติมีปัญญาย่อมกำจัดอภิชาและทมนัทจะได้ในโลกสามแหลหรือว่าพิกจุในภาษาสนานี้เน่ะย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมหนึ่งเดิมอยู่มีความเพียรอย่างกิเลสให้เราร่อนมีสติมีปัญญาย่อมกําจัดอภิชาและทมนัทจะได้ในโลกสี่อย่างพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่สติปัฏฐานส ว่าจัตตาโรโอสติปัฏฐานสติปัฏฐานามีสติปัฏฐานมีสี่แล้วเขาทำยังไงเมื่อเราทราบสติปัฏฐานมีสี่คือกายได้แก่รู ป, ปรขันธ์เวทนาก็คือนามเวทนาขันธ์จิตคือนามวิญญาณขันธ์ธรรมเขาทั้งรูปทั้งนามตอนนี้ เราจะปฏิบัติและจะกําหนดรู้ล่ะท่านบอกเมื่อเราศึกษารู้แล้วอ่ะกายก็คือรูปขันธ์ของเราเวทนาก็คือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เป็นการเสพอารมณ์เป็นนามเวทนาจิตก็คือจิตใจของเราเนี่ยที่มีความโลภก็รู้ความโกรธก็รู้ความหลงก็รู้มีทีหน้ามิทระครอบงมก็รู้มีความพุ้งซ่านก็รู้มีจิตหดหู่ก็รู้เป็นสมาธิก็รู้ดีจิตของเรา กันนี้เราจะดูยังไงตั้งต้นทีเดียวท่านก็บอกต้องอยู่นิโสมนาสิการเราจะปฏิบัติตามสติปัฏฐานข้อไหนพระสติปัฏฐานนี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ท่านแสดงไว้ว่ามีสิบสี่ปัฏฐะมีอนาปานัประเ ห, หมือนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอาศุพภากมาฐานเก้า เป็นสิบปฏิคูลปพัพปะพิจารณาผมคนและปนหนังเป็นปฏิคูลอีกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมถกรรมาฐานทําสมถกรรมาฐานให้ได้รูปฌานแล้วเอาองค์ฌานนั่นแหละมาพิจารณาโดยสติปัฏฐานเป็นบาทไม่ได้พิจารณารูปกายหรือถ้าใครมีปัญญาดีพิจารณารูปกายก็ได้ว่ากายนี้มันสําเร็จได้โดยจิตนามจิต แม่ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราก็ตามแต่มีจิตเป็นผู้จัดแจงคนตายนี่ไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีเพราะนันท่านยังมีจิตอยู่แล้วจิตก็จัดแจงให้หายใจหายใจเข้าหายใจออกความเพียรพยายามในการหายใจเข้าหายใจออกไอนามเนี่ยเป็นความเพียรลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นรูปเป็นรูปลมหายใจเข้าหายออกท่านอุปมาเหมือนเหมือนช่างทอง ที่เขาประสงค์ที่จะทำทองรู ป, ปพัณฑ์เขาต้องเอาทองนั้นมาเป่าไฟเอามาสูกมาเป่าไฟความเพียรพยายามที่จะเป่าไฟนั่นแหละเป็นนามไอ้ลมที่ออกมาเพื่อให้ิดการเผาไหม้ของไฟนั่นแหละนั่นเป็นรูปลมเป็นรูปจิตเป็นนามที่เพียรให้ใจเข้าให้ใจออกคืเป็นนามแต่อันนี้ใครจะพิจารณาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าพระประเจค พ, พุทธ และอาคสาวกและมหาสาวกยิสีติมหาสาวกเท่านั้นปกติสาวกรู้ไม่ทันรู้ไม่ได้นี่ท่านก็กำจัดจำกัดบุคคลลงไปเพราะนั้นทั้งหมดนี่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเสยสิบเอ็ดอารมณ์อนาปาณปปะสิวัติกากรรมฐานตือซากศพที่ตายในอาการต่างๆก้าอย่าง แล้วก็ปฏิคูปปัฏฐานแต่ส่วนของวิปัสสนานั้นมีสามในกายานุปัสสนาสตทิปัฏฐานก็มีอิริยาบถปัฏพระอิริยาบถรูปกายของเราที่ใช้ไปในอาการเดินอาการยืนอาการนั่งอาการนอนมีสี่อาการสัมปัญญาปัฏพร ะ, ระอิริยาบถย่อยก้มเงย เหลียวซ้ายแลขวาเก้าไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังจะเคี้ยวจะดื่มจะคลืนจะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะสวมเสื้อผ้าอา จ, จะใช้บาตรใช้จีวรสำหรับพระภิกษุนี่เป็นอิรยาบทยอยเรียกว่าสัมชัญญา ป, ปัปปะเป็นรูปเหมือนกันเป็นรูปแล้วก็จะถูกธาตุมานัสิ ก, กันสิ่งใดในกายเหล่านี้ที่แข็งแข็งเป็นธาตุดิน สิ่งใดที่ไหลเออบาบซึมซาบไปเป็นธาตุน้ำสิ่งใดที่ให้ไออุน่นเป็นธาตุไฟสิ่งใดที่เคลื่อนไหวเคร่งตึงเป็นธาตุลมจะดูธาตุมนาศิการนี้ก็ยากนะยากเพราะว่าเป็นสภาวะของปรมัจารอารมณ์รุนรุ่นไปที่จะรู้ได้ไง่ายที่เราใช้อยู่เสมอไรธาตุทั้งสี่เนี่ยเขามีเป็นประจำาหละเราจะอยู่ในอิริยาบทอะไร เราจะนั่งนอนยืนเดินยังไงเนี่ยธาตุดินน้ําไฟลมนี่เขามีอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นเราจะมาน้าสิบการถึงความเป็นแข่นแข็งถึงความเป็นน้ําที่ไหลเ อ, อ่อป่าซึมซาบไปหรือพิจารณาเป็นธาตุไฟพิจารณาเป็นธาตุลมหีือย่างแต่ว่าเราเพ่งสภาวะลักษณะของอารมณ์นั้นโดยตรงแต่ถ้าเราพิจารณาโดยอาศัย สภาพธรรมที่เป็นไปในอาการที่เราใช้อยู่เป็นประจำในอาศัยบุคลาที่ฐานคอยรูปเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนนี่สําเร็จได้จากจิตมีจิตเป็นสมุทฐานกระทากิริยาอาการเดินยืนนั่งนอนให้ปรากฏแล้วเราใช้กันอยู่เป็นประจำนี่ท่านวางอารมณ์ที่เป็นบัญญัติกับเป็นปรมาภิญญาเชื่อมโยงค์กันว่าเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นบัญญัติ แต่มีป a r a m a t rāploṅ ก็เรียกวิชมามนะับัญญัติบัญญัติที่มีสภาวะรับรองอะไรเดินะ่ะรูปเดินอะไรนั่งอะรูปนั่งอะไรนอนอะรูปนอนอะไรยืนอะรูปยืนแต่ว่าเดินยืนนั่งนอนนั้นเป็นบัญญัติที่ตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกอาการของอิริยาบถต่างๆแต่เราไม่ได้ติดอยู่ในบัญญัติเราไมไ่ติดอยู่แค่อาการานั้นสติสัสมปชัญญะต้องอยังถึงสู่สภาวะของรูปที่กําลังเดิน รูปที่กําลังยืนรูปที่กําลังนั่งหรือนั่งนั่งนอนอยู่ต้องรู้ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอารมณ์ของสติปัฏฐานให้เข้าใจว่ารูปอะไรบ้างนามอะไรบ้างที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานก็มีกายคือรู ป, ปรขันเราเนี่ยแต่ในวิปัสสนาก็มีอิรยาบทปัปภะสัมปชัญญปะปัปภะจตุธาตุมรรคการ ถ้าเป็นนามเวทนาเป็นนามจิตเป็นทั้งรูปทั้งนามธรรมมีนิวรณห้ า, าขันห้าอยายตนะสิบสองโพธชงเจ็ดสัจจะสี่อันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ดูรูปดูนามด้วยกันที่เดียวคราวนี้เราจะปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อไหนนี่เราก็ ต้องเลือกเฟ้นให้เหมาะสมกับจริตของเราท่านอายุคนี้สมัยนี้บอกว่าอิริยาบถสัะพันเหมาะแก่คนตันหาจริตที่ปัญญาน้อยดูรูปอิริยาบถเราก็จะถือเอาอิริยาบถประพันี่แหละมาเป็นตัวฐานเป็นที่ตั้งรองรับของสติอิริยาบถประพันธ์นี่เราทราบแล้วว่ารูปเดินอยู่ตรงไหนรูปยืนอยู่ตรงไหนรูปนั่งอยู่ตรงไหนรูปนอนอยู่ตรงไหน เราทราบโดยหลักการที่ได้ยินได้ฟังโดยปริยัติมาแล้วคราวนี้ในยะของการปฏิบัติต้องอาศัยโยนิโสมนัสนสิกานว่าเราจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาอิรยาบทรูปอิรยาบท์ได้หลอย่างอื่นยังไม่พิจารณาพวกรูปพวกสัมปชัญญปะปภาพะพวกจัตุธาตุมนสัสการหรือพวกเวทนาพวกจิตพวกธรรมนี่ยังไม่เอา เราน้อมใจเอาไปจะพิจารณาในเฉพาะอิรยาบถ ป, ปัจภานี่เขาเรียกโยนิโสมนาสิกามีความใส่ใจในอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์สติปัฏฐานที่เราจะเอามาทำงานนี่แหละโยนิโสมนาสิกาการ น, นี้นอกจากเข้าใจว่าจะต้องโยนิโสมนาสิกาอยู่ในอิรยาบถปัจภาแล้วนี่ต้องเข้าใจว่าอิรยาบถนั้นต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์ ที่กำลังปรากฏอยู่อีกต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นอดีตเป็นอนาคตใช่ไม่ได้ไปคิดนึกเอาเพราะไม่มีสภาวะของรูปร่างเราในขณะนั้การนี้วิธีการโยนิสมนาสิการก็ตั้งปัญหาถามเรียกว่าปัญหากรรมขณะนี้เรากําลังอยู่ในอุรยาบทอะไรกําลังนั่งอยู่ อะไรนั่งละ่ะรูปนั่งรูปนั่งอยู่ตรงไหนก็ตรงอาการท่าทางที่นั่งนี่เราได้ตำแหน่งแล้วที่จะโยนิโสมนัสิการที่อาการท่าทางที่นั่งพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็โยนิโสมนสิการตรงที่อาการท่าทางที่นั่งว่าสติปัญญาจะต้องทำงานตรงนี้นะั่เพราะนั้นตัวปฏิบัตินี่อยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาและความเพียรไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถ อิริยาบถนั้นอาศัยเป็นฐานรองรับเป็นปัจฐานอาศัยเป็นฐานรองรับเท่านั้นเองเหมือนปัญญาเราไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเราอ่านแล้วตัวหนังสือนั่นเขาเป็นอารมณ์ของปัญญาได้แต่บางทีตัวหนังสือเป็นอารมณ์ของกิเลสก็ลด้แต่ว่าถ้าเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วนะก็เราเข้าใจความหมายว่าเราจะดูรูปเดินยืนนั่งนอนในรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนเป็นอารมณ์ของปัญญา แต่เราต้องมานัศสิการให้ดีต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันรูปน้ำนั้นกำลังมีอยู่ในขณะนะอยู่ตรงไหนนี่เราต้องตามรูปเราต้องโยนิสมนัศสิการอีกว่าเราดูรูปถูกรูปหรือเปล่าบางคนบอกว่าถูกว่าดูรูปถูกรูปไหมเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าถูก ไหนดูยังไงเราอหยฟังที่ดูยก็นั่งเนี่ก็รู้ว่านั่งเนี่ยก็อาการ่าทางที่นั่งนอนก็รู้ในอาการ่าทางที่นอนยืนก็รู้ในอาการทาทางที่ยืนรู้แค่อาการทาทางที่นั่งบอกว่ามันรู้ตามตำราว่ารู้ตามอาจารย์ป๋รู้ของเราเองมีไหมรู้ของเราเองก็นี่แหละรู้ของเราเองเยนั่งก็รู้ว่า รูปนั่งนอนก็รู้ว่ารูปนอนยืนก็รู้รูปยืนเดินก็รู้หยู่เดิรู้ตรงไหนรู้ที่อาการท่าทางข้างนั่งนี่ก็เรียกรู้โดยจินตนาการรู้โดยการคิดนะ่รตามที่อาจารย์บอกกล่าวทุกอย่างถามมาแล enfin in ้วถูกรูปนั่งรู้ไหมที่เราดูไปเนี่ยก็อย่างนี้ยังไม่ถูกอีกเลยยังไม่ถูกอีกแล้วว่านั่งก็รู้ในอาการธาทางข้านั่งนอนก็รู้ในอาการท่าทางคือนอนยืนก็รู้ที่อาการท่าตุบอกถูก ถูกตามตำราว่าหรือถูกตามอาจารย์บอกแต่ถูกของเราเองมันไม่อีกเราตั้งรับรองได้วันนี้เราดูรูปถูกรูปแล้วเพราะฉะนั้นตัวดูตัวปฏิบัติเนี่ยตัวสติเขาละลึกไปในอาการท่าทางที่นั่งก่นและตัวปัญญาตัวสัมปชัญญะเขาตามอ่านอารมณ์ที่สติละลึกไปที่สติละลึกในอาการท่าทางที่นั่งแล้ว สัมปชัญญะอยู ต, ตัวปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าอาการท่าทางที่นั่งนั้นเป็นรูปนั่งเป็นรูปนั่งสติสัมปชัญญะสามารถสัมผัสรูปนั่งได้ที่เป็นสภาวะทำตามความเป็นจริงได้ด้วยความรู้สึกตัวเราต้องรู้สึกในอาการท่าทางที่นั่งรู้สึกทั่วอาการท่าทางที่นั่งอาจารย์ปฏิบัติเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังรู้สึกยังไงก็รู้สึกตามอาการของผิวกายเราแผ่ว แต่ภารู้สึกผิวผิวกายเดี๋ยวเราไปเพ่งในอารมณ์ผิวกายมนอาการท่าทางที่นั่งไหนละเนี่ยจับความรู้สึกในอาการท่าทางที่นั่งแว่าเป็นรูปนั่งต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวสติสัสมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ไหนละ่ะรู้สึกที่ตัวรูปหรือรู้สึกที่ตัวนามต้องจับสภาวะนั้นไหได้พอจับสภาวะนั้นได้แล้วนี่ จับความรู้สึกได้แล้วเขารู้สึกทั่วอาการรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปรูปนั่งก็รู้สึกทั้งหมดทั้งอาการไม่ใช่รู้บนใกล้ลงมาตั้งแต่หน้าผากลงไปถึงสมาธิขัดสมาธิไม่ใช่ใกล้ลงมาจากข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกรูปนั่งมันไปถูกหน้าผากบ้างดั้งจมูกบ้างปากบ้างลูกค้างบ้างอะไรต่างๆหน้าอกบ้างตักบ้างอะไรต่างๆไม่ถูกรูปนั่ง รูปนั่งมันอยู่ในอาการท่าทางที่นั่งสติสัมปชัญญะต้องรู้อาการพร้อมกันพร้อมกันทั้งอาการท่าทางที่นั่งเหมือนขนาดที่เรากําลังนั่งอยู่เราก็ต้องรู้สึกในอาการท่าทางที่รูปนั่งเนี่ยหรือในขณะที่บางทีก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเราดูรูปภาพรูปถ่ายของเราเนี่ยกําลังนั่งอยู่เราก็รู้รูปภาพทั้งตัวที่นั่งหายใจก็ระลึกถึงอาการท่าทางที่นั่งทั้งอาการที่นั่ แต่ว่าต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวสัมผัสกับรูปอาการท่าทางที่นั่ง น, นี่เราดูรูปนั่งถูกรูปนั่งแล้วดูรูปนั่งถูกรูปนั่งนี่แหละเขาก็มีประโยชน์ความรู้สึกที่จับอาการท่าทางที่นั่งว่าเป็นรูปนั่งนี่แหละเขาถอนถอนความเห็นผิดว่าเรานั่งออกไปสกายาทิฏฐิถูกละไปพราะสัมมาทิฏฐิปัญญาเข้าไปรู้สภาพคามิ เนี่ยจะรู้สึกในอาการทาทางของรูปนั่งเนี่ยขั้นแรกเนี่ยก็ถ่ายถอนความผิดผิดออกไปแยกรูปออกจากนามได้แล้วนี่เป็นอาการท่าทางของรูปนั่งแยกออกมาจากนามได้แล้วดูข้อตอไปดูข้อตอไปก็สังเกตความรู้สึกตัวนั้นต่อไปศึกษาขา้อตอไปเนี่ยสังเกตมันใช้คำว่าสิทติ ศึกษาการศึกษาการเรียนการศึกษานี่เขาคืออะไรนี่บางทีทางโลกไม่เข้าใจหรอกว่าการศึกษานี่คืออะไรก็คือการเรียนแล้วการเรียนมันคืออะไรก็คือการศึกษาตกลงการศึกษาการเรียนนี่มันคืออะไรอธิบายให้ฟังแคทแคเนี่แต่ทางธรรมนี่ก็อธิบายได้ทางธรรมอธิบายได้ มันอยู่ในยากของการปฏิบัติการศึกษาเนี่ยศีลสิษยาสมาธิศิขาปัญญาศิขาเขาหมายถึงการเสพอารมณ์นั้นบ่อยๆการศึกษาแต่จะอุปมาเหมือนแม่ครัวที่ต้มแกงต้องชิมแกงต้องชิมแกงเราแกงแล้วล่ะลงมือแกงแล้วเดือดแล้วแกงเดือดแล้ว่ะใช้ได้หรื อ, อยังต้องศึกษาแล้วต้องชิมแกง แกงส้มก็รถเปรีย้ยวรถเค็มรถเผ็ดมีหวานเจียวนิดหน่อยไมเนี่ยต้องชิมแกงแล้วก็ปรุงรสไปให้พอดีนี่เราศึกษาแต่ว่าศึกษาในทางทมนี่เราไม่จำเไปปรุงแต่งไม่ต้องไปชิมอะไรแต่ให้เสพอารมณ์นั้นบ่อยๆเช่นเวลานั่งนี่เราก็มีความรู้สึกตัวอยู่กับรูปนั่งแล้วเราก็ส้งศึกษาเสพอารมณ์รูปนั่งนั้นบ่อยๆ ขณะนี้ก็ยังรู้สึกอยู่กับรูปนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังรู้สึกกับรูปนั่งขณะนี้ยังรู้สึกกับรูปนั่งอยู่เดี๋ยวรูปนั่งเขาบอกเราศึกษารูปนั่งเนี่ยอ่านรูปบ่อยๆเขารูปนั่งเขาบอกเขาบอกอาการตึงอาการปวดอาการเมื่อยทุกเกิดแต่นี่เราก็รู้ว่ารูปนั่งนั้นเป็นทุกข์เราอ่านยิริยาบทจบบทกันแล้วรู้รูปนั่งเป็นทุกข์แล้ว ทำยังไงล่ะโยนิโสมนาสิกานอะไรเป็นทุกข์ล่ะรูปนั่งเป็นทุกข์ล่นรูปนั่งเป็นทุกข์ทำยังไงะต้องเปลี่ยนยาบทเพื่อแค่ทุกข์นี่ต้องโยนิโสมนาสิกานถ้าเราขาดโยนิโสมนาสิกนันหามันเข้าไปอาศัายิยาบทใหม่ได้เราเปลี่ยนเถอะสติไปเปลี่ยนไปแล้วออาเลอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ความพอใจความสบาย มันเข้าไปอาศัยอยิรยาบทก็ทําให้ผิดไปจากความเป็นจริงตันหามันเข้าไปอาศัยอิรยาบทใหม่ได้นี่ทําให้ไม่รู้สภาพความจำควา ม, มเป็นจริงความรู้ความเข้าใจจมความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่ต้องคอยสังเกตอยู่เสมอคอยศึกษาเมื่อเราเรียนธรรมะเราอ่านหนังสือธรรมะก็ตามต้องอ่านบ่อยๆเสพอารมณ์นั้นบ่อยๆพอเสพอารมณ์นั้นบ่อยๆเราได้อะไรล่ะได้สัญญารู้ พอสัญญารู้แตกแานในเรื่องราวที่เราอ่านเราศึกษาแล้วความคิดมันก็จะเกิดขึ้นปัญญามันก็จะเข้าใจเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อาศัยการเสพอารมณ์นั่นบ่อยๆปัญญามันก็จะไม่แยกคลายไม่แยกคลายต่อสภาวะของความจริงที่ปรากฏขึ้นนี่เราก็ต้องเรียนต้องศึกษาบ่อเพราะฉะนั้นตัวสติปัญฐานเนี่ยมีฐานที่ตั้งของสติคือรูปนามที่บอกว่ากายเวทนาจิตธรรมอะไ และมีตัวทํางานตัวทํางานคือตัวปฏิบัติอยู่ที่อาตาปีสัมปชาโนสติมาอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาและความเพียรสามตัวอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาและความเพียรสามตัวเพราะฉะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้แล้วแหละคะ่ะเราได้ตําแหน่งรูปนั่งอยู่ตรงอาการท่าทางที่นั่งแล้วเอาล่ะเราจะกำหนดรู้ละตั้งสติในอาการท่าทางที่นั่ระลึกไปในอาการท่าทางที่นั่งปัญญาก็ตามอ่านว่า อาการท่าทางที่นั่งเป็นอาการของรูปนั่งเขาเราดูรูปนั่งถูกรูปนั่งไหมถ้าถูกก็จะความรู้สึกลราอันนี้เป็นความละเอยียดที่เราจะต้องรู้ได้ในขณะปฏิบัตินะก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อจะให้เพื่อท่านจะมีอะไรจะใส่ถามมาก็เชิญนะมีอะไรที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกรณีหรือไวยามการปริยัดกรณี มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้มีไหมฮะตรงการดับตรงการดับตรงเกิดยังไม่เป็นตรงการดับของรูปของนามพอดับปุ๊บมันก็ให้ปัญญาตามรู้ตามานได้มันมีแล้วหมดไปเรียกว่าไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปเพราะทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกมีแล้วต้องหมดไปเพราะบังคับบัญชาเขาให้ตั้งอยู่ไม่ได้อนาตตาอยู่ตรงความดับ เพรน้ําของรูปถ้ารูปดับน้ําดับขนาดับนะขนาดเกิดนี่กิเลสยังอาศัยได้แต่ขนาดดับนี่ใจหายมันมีแล้วหมดไปในใจหายมีแล้วมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้มีแล้วบงังคับบัญชาเขาไม่ได้นี่มันถึงจะถอนกิเลสออกแต่ถ้าเกิดขึ้นปุ๊บไม่กิเลสมันพอใจเหมือนกับเรารู้จักเนี่ยรู้จักคนทั้งหลายเนี่ยเขาบอกเออคนนั่นเขาได้ลูกแล้วนะ ลูกเราแต่งงานเดี๋ยวนี้มีหลานด้วยนะเป็นไงล่ะเราดีใจไอ้หลานที่เห็นหน้านนนะ่ะตายแล้วสิตายแล้วเป็นยังไงล่ะใจหายเห็นดับก็เห็นดับนั่นแหละกิเลสมันถึงจะออกถ้าเห็นเกิดเข้ากิเลสมันดีใจมันไม่ออกมันดีใจมันยืดยืดนี่เพราะนั้นไอ้ตรงอันนี้จังทุกขานาตานี่มันอยู่ที่เห็นความดับของนามของลูกเห็นความดับเ ข, าข้าใจไหมฮะ มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยไอ้ตองเกิดขึ้นตั้งอยู่นี่ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสยึดถือได้แต่ตอนดับไปเนี่ยกิเลสมันไม่ยึดถือไม่อาศัยอาศัยไม่ได้เขาเรียกอนิสิตโตจาวิหารสิไม่เป็นที่อาศัยของตำหาและทิศที่ไอ้ตรงที่ดับไปนะฮะรวมเรียกว่าไตรลักลักษณะสามตักระจักหลักใจลักเราไม่ต้องไปดูความเกิดดับหรอกเราไม่ต้องดูความเกิดดับน่ะ เขาเกิดดับตามธรรมชาติของเขาเรารู้ไอ้ตอนที่เขามีอยู่เราเรารู้ตอนที่เขาตั้งอยู่อ่าเรารู้ตั้งอยู่เนี่ยไอ้เกิดเนี่ยมันจะปัญญาจะรู้เองน่ะระดับนี้ปัญญาก็รู้เอง่มใหม่ๆล้วรู้เฉพาะที่ตั้งอยู่อ่าอ่านี่ยเราดูรูปนั่งเนี่ย เราจะดูรูปนั่งเนี่ยดูที่รูปนั่งมีอยู่แล้วกําลังมีอยู่เนี่ยกําลังตั้งอยู่เนี่ยรูปนั่งมีอยู่แล้วเ ร, ราก็ดูรูปนั่งนะนะดู seguir. รูปนั่งนะว่าทุกเกิดแล้วเราไม่เปลี่ยนไปดูน้ำทุกนะไ ม, ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่คร<บ>ับดับแล้วก็ไม่ดูดเราจะดูกายเยกายานุปัสสีดูพิจานากายในกายเนี่ยนะห้ามไม่ให้ไปดูเวทนา ไม่ไม่สนไม่สนใจเราไม่สนใจเดี๋ยวอ่านรูปเดี๋ยวอ่านรูปไม่ออกเดี๋ยวอ่านรูปไม่ออกไม่ตามดูเป็นแบบเป็นแบบอะไรก็เป็ไม่ตามดูวันผิดฐานวันผิดฐานก็อยงจะรู้ยังไงดับประการดูการใช่ดูทำไมระดับมาดูทาไมเราเรายังไม่รู้เกิดเลยจะไปรู้ดับยังไงแหละต้องหลุดเกิดก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่งนี้ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจแล้วอะไรมันดับแล้วดูอะไรนะเราดูอะไรใช่ไ้มดูกายใช่ไหมดูกายอะไรดูกายอะไรรูปอะไรรูปกายรูปอะไรล่ะอ่งรูปนั่งรูปนั่งรู้ตรงรู้รูปนั่งตรงไหนรูนั่งเดินยาวอ่าเดินอายียาวบดเนี่ยพอทุกข์มันเกิดแล้วียาวบทมันดับหรือยังพอทุกข์ทุกข์มันเกิดในนรอ่า ยินยบทมันยังไม่ดับนะยินยาบทยินยาบทมัยังอยู่ในท่านั่งยังคือท่านั่งอยู่เนี่ยทุกมันเกิดเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่รูปเกิดที่รูปอะไรรูปนั่งเกิดที่รูปนั่งนะเราจะแก้ทุกข์ละเราจะแก้ทุกข์ละเราจะเปลี่ยนละไอ้ตรงนี้ถึงจะดับไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ทุกข์ดับนะรูปนั่งดับรูปนปั่งดับอ่าอ่อ า, า, บ า, บาที่ใหาวบ้ดู แ่พี่ว่างเมเจอร์กี้เนี่ยพอทุกมันเกิดเวทนามันเกิดมันเกิดแล้วเดี๋ยวเวทนาดแบบับไม่ดูเวทนานะต้องดูรูปอ่าเวลาดับใช่ไอะไรมันดับอะไรมันดับขยับนิดเดียับอะไรนะ่ะอะไรขยับนิดหนึ่งขยับอะไรมัใช่ไมอ่า้าอ่าขยับรูปใช่ไหมแล้วรูปมันดับหรือเวทนามันดับอ่ารูปมันต้องดับนะไม่ใช่เวทนาดับนะ อ่าไม่เกี่ยวกับเวทนาอ่าอ่าดูรูปพอขยับรูปปุ๊บรูปมันดับนะรูปรูปที่นั่งเนี่ยมันดับไม่ใช่ไปดูเวทนาดับนะถ้าดูเวทนานี่ผิดฐานอ่าตรงนี้ตั้งถามกันสัก่อนอ่าแก้ทุกันเนีอ่าแก้เ็ใาถามเรื่องอ่างอ่าแปลว่าเอเป็นอะไรก็มันยากเป็ต้อท่เนี่ยาอ่าอ่าพอเป็นไปงาก็เลยอรู้ว อ่าอ่าเอาอีกแล้วจะไปดูทุกข์อีกแล้วเวลาทุกข์เกิดให้ถามตัวเราว่าอะไรมันเป็นทุกข์อ่ารูปนั่งเป็นทุกข์คราวนี้เราขยับรูปนั่งแล้วเปลี่ยนรูปนั่งนะรูปนั่งดับไม่ใช่เวทนาดับนะรูปนั่งดับเออเนี่ยอ่าเนี้ดูกายในกายอ่านี่ดูกายในกายอ่า ถ้าเราดูรูปนั่งแล้วพอทุกมันเกิดปุ๊บไปดูเวทนาพอขยับปุ๊บเวทนาดับอันนี้ไม่ใช่ดูกายในกายอ่าอ่าอ่าอันนี้ต้องดูรูปดับทุกของรูปอ่าที่มาเจอจากรูปอ่าอ่าใช่เปลีป็นอ่าเปลี่ยนเปอ่าอ่ารูปนั่งที่เป็นทุกเนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปอแต่ไม่ต้องไปดูดับไม่ต้องไปดับอ่าให้รู้ทานียาบทใหม่เกิดพอรู้เร็วๆเข้า เราจะรู้เกิดก่อนเราจะรู้เกิดก อ, อ่าอ่ า, าแต่เวลารู้สภาพจริงจริงแค่นี้รูปจริงจริงแค่นี่ยเรารู้เกิดก่อนเพอเราจะขยับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมนั่งเนี่ยนั่งนี่นนนเป็นทุกนาเนี่ยผมลุกขึ้นนี่มันจะรู้เกิดก่อนรูปยืนเกิดแล้วนะอ่าแล้วถึงรู้เลยแล้วถึงว่ารูปนั่งดับนะต้อรู้เกิ ด, ดก่ดดนอนนะแล้วถึงรู้ว่านั่งดับเพราะนั้นอย่าไปรู้ดับ เราต้องรูเกิดกว่ามันเป็นเกิดมันเป็นกิดไม่เก่าเหมือนกันไม่เป็นอะไรมันลูกอะไรล่ะขึ้นมานั่นยั้งไม่ยืนไอ้ตอนที่ยังไม่ยืดนั่นอะไรลูกอะไรมันเกิดขึ้นมาล่ะไอ้ตอนที่กาลังอยู่นี้อยู่ในยังยั้งไม่ยืน นี่เราเขาเรียกกิยาบทย่อยกิยาบทย่อยแต่ถ้าเราปฏิบัติดูลูกเดินยืนนั่งนอนชอบแล้วเนี่ยอาการที่เปลี่ยนแต่งกยาบทย่อยนี้ก็รู้ด้วยดีเล็กสำเป็ญคันยาปวดมากปวดน้อยอะไรไม่รู้นี่เราเขายับนั่งก็ดีลุกจนยืนก็นดีตรงนี้เขาเรียกสังเขาเรียกสังขารทุกขสังขารทุกขอ สังขารทุกข์นี่คือรูปอียาบทย่อยที่เราแก้ยาบทใหญ่อ่าเพราะนั้นถ้าเราดูอียาบทใหญ่แล้วมันดูียาบทย่อยมันอยู่ในประเภทกายด้วยกันเราเรียกพิจนาการในกายเนืองเนืองอ่ารูปรูปกายเดินรูปเดินเมื่อยเป็นทุกข์เนี่รูปกายเมื่อยรูปเดินเมื่อยอ่าอ่าเราก็ แล้วก็ตามรูปปัตติอะอะอะแล้วมันจะไปรูปไปรูน้มเมื่อไหร่อะจะไปรู้น้มเมื่อไหร่จะไปรู้น้ำเมื่อไหร่ตอนทุกอะตามตอนทุกเสี้ยนอะถ้าอาจา้องเ่มมา่อนงนะรู้่าออรู้ว่ารูปรูป่าอ่าะ ตอนี่พยายามนอนำก็รู้ว่าไม่ได้แกลงัก็ไม่คันเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวยังแยกไม่ออกแยกรูปแยกนวไม่ออกคนเดียวนอ่ากันนี้ถามว่าเรารู้น้ำเมื่อไหร่อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าไอตัวดูใช่ไหมตัวน้ำอ่ะไอตัวดูใช่ไหมตัวน้ำ ไอ้ตั ว, ตวดูวดใช่ไหมตัวนามไอ้ตัวรู้น่ะรู้วานั่งเนี่ยเป็นนามใช่ไหมนามที่กําลังดูอยู่ถูกรู้อ่าเป็นนามรูปที่ไม่มีฝาถูกรู้อ่าอ่าเนี่ยเป็นอ่าเป็นรูปอ่าอ่าก็ถึถงก็ ถ, ถึงว่าอ่าอ่ายังไม่รูน้นามรู้รู้แต่รูปไปก่อนแต่ว่าคล่องแค่แล้วมันรู้ทั้งหนุกทั้งนาม ตัตัวไรู้ว่มัแ่นอนีไรู้อย่างี้อื่ัใช่้มาูกมาที่อีตใหม่ใช่ไมไม่สนใจทำไมระดับมามันมันก็มีอาการขึ้น่ก็ปบัไอ้กอนเกิดไม่เห็นไปเห็นจนดับแล้วก็เกิดก่เจอแค่นางห่งแค่นางหนึ่างหนงค่นางมดไม่ใช่มันต้องมันต้องเห็นเกิดก่อน นล้ถึงจะดับเราไปสนใจในดับปุ๊บไอ้เกิดไม่เห็นนี่ยังยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยรูปนั่งเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้น่ะเราก็ลุกขึ้นยืนปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมาล่ะรูปอะไรเอเห็นเกิดก่อนนะแล้วจึงรู้ว่าไอ้ที่ดับนั่งเมื่อกี้เนี่ยมันดับไ ป, ไปอ่าไม่ไม่ใช่ไปเนี๋ยเห็นดับมัเกิดนะ ต้องต้องเกิดขึ้นก่อนว่าถึงจะเห็นดาวอ่าอ่าอย่างนี้ใช่คือต้องต้องรู้ลาก่อนว่าเราจะรู้ต่าอ่าาความปัจจุบันเราไม่รู้เราก็องาเรี้ันเ่อันนี้เลอไปหมดเลอแต่ขาดสติขาดสติขาดสติไปอ่าอ่าอืมอืมอืมอืมอืม ม, มันสองอย่างมันรู้ในขณะกำลังเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องรู้ก่อนรู้ในขณะกำลังเปลี่ยนแก่ทุกแต่เราต้องโยนิโสมนสิการนี้ยังใหม่ๆใหม่ๆต้องรู้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนยาบทแต่ถ้าสติสัมผัญญาวไวมันก็รู้พร้อมกันในขณะนั้นถ้าปัญญาเราไวนะเราคล่องแล้วก็รู้ในขณะที่ถึง อ่ามาเรรู้ในขณะเสจอ่ามารู้ทันปัจจุบันน่ะเวทนามันคนละฐานเราดูกายไม่ได้เลอะเทอะหมดเลยที่พิจารณาหมดทุกอย่างไม่ได้เพราะอะไรที่ท่านบอกให้พิจารนากายในกายเราจะไม่เห็นเลยว่าอ่าฮถ้าเราถ้าเราไปเอาหมดทุกอย่าง เราจะไม่เห็นรูปนั่งเป็นทุกข์รูปนอนเป็นทุกข์รูปยืนเป็นทุกข์ ไ, นหนกไหนฮะพิจารอันเดีย ว, ายวกายรูปกายกายง่ายกว่าเพราะฉะนั้นดูรูปนั่งเนี่ยดูรูปนั่งอันเดียวนะเวทนาเกิดไม่ต้องไปเปลี่ยนดูเวทนาอันนี้เขาเรียกดูกายในเวทนานี่ผิดฐานไม่ต้องไปดูทุกข์ให้ดูย้อนกลับว่าอะไรมันเป็นทุกข์ รูปนั่งใชาเห็นกายในกายดูรูปนั่งรูปรูปนั่งเป็นทุกข์เราได้อันหนึ่งแล้วนะรูปนั่งเป็นทุกข์เรียนอิยาบทไปยืนรูปยืนเป็นทุกข์อีกไม่ต้องไปดูเวทนาเอาเวทนานะั้นมาอาศายัยอ่านรูปยืนเป็นทุกข์อีกแล้วพอรูปยืนเป็นทุกข์ปุ๊บได้อีกงานหนึงแล้วเดินรูปเดินเมื่อยเดินเป็นทุกข์อีกแล้วรูปเดินเป็นทุกข์อีกแล้วแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนดูเวทนาเลย เลยจะไม่ได้รู้ไอ้รูปนั่งนอนยืนเดินเป็นทุกอย่างไงไม่รู้อะฮะเปลี่ยนฐานไปละคนละฐานคนฐานเหมือนเหมือนอ่านหนังสือคนละเล่มดูเล่นใดเล่มหนึ่งให้จบไปก่อนนะฮะจิตเนี่ยหละฮะยังไม่ยังไม่ถือมาเป็นอารมณ์เพระรดูกายก่อนดูกายก่อนดูรูปอย่างเดียวก่อนแต่ว่าที่จะไปรู้เวทนารู้จิตเนี่ย เราดูรูปรูปไปก่อนตอนนี้พอดูรูปนั่งเป็นทุกนอนเป็นทุกยืนเป็นทุกเดินเป็นทุกแล้วตอนนี้เบื yeah. ่อไม่อยากดูเห็นรูปนั่งก็ทุกนอนก็ทุกเดินก็ทุกเดินก็ทุกหัวเบื่อไม่อยากดูแลนี่ก็นั่นสินั่นแหละนี่แหละกําลังจะถามอะไรไอ้ที่มันหดหูนะอะไรมันกวดหู เออไม่ใช่จลยกินนั่นแหละนามมันเป็นทุกข์นามจะเป็นทุกข์กี่หลังเพราะไอ้ตัวตั้งรูปมันเป็นทุกข์แล้วไอ้นามมันไปดูรูปเป็นทุกข์แล้วเดี๋ยวไอ้นามก็หดหูมันเบื่อมันเบื่อเบื่อทนไม่ได้ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากดูแล้วนี่นามมันเป็นทุกข์อ่าพอเราแยกรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ออกเดี๋ยวก็เห็นปัจจัยของรับระวางนามกับรูปมันก็เป็นปัจจัยินกินอ่านามเป็นทุกข์ นามเป็นตุกอะไม่ใช่มันมีกันได้ตามอาการก็ก็เป็นได้ตามอาการก็เป็นไปอย่างนั้นมีความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ความดับไปเป็นธรรมดาแต่ว่าปกติธรรมดาเนี่เราจะเห็นความเกิดก่อนและสิ้นดับในใจเราไม่ได้เห็นปลายมาหาต้นเห็นต้นมหาปลายเห็นความเกิดขึ้นก่อนและความ ไอ้ยานเนี่ยมันเห็นรูปเป็นนามยานขึนข้น <|no|> lim แล้วเห็นเป็นรูปเป็นนามนี่ยานขึ้นแล้วแล้วก็เห็นอาการเป็นไปของรูปของนามเห็นอาการเป็นไปของรูปของนามเห็นอาการเป็นไปของรูปของนามเนี่ยเราจะเห็นอาการเกิดก่อนเรื้อาการดับก่อนเห็นอาการเกิดก่อนเนื้อการดับเกิดก่อนเห็นอาการเกิดแล้วการดับไปยังไ ออะไรเกิดอ่ะรูปยืนมันเกิดรูปยืนมันเกิดขึ้นถึงรูปนั่งดับถ้ารูปมันไม่เปลี่ยนใหม่ไม่มีรูปใหม่เกิดไอ้รูปเก่าเราก็ไม่เห็นตั้งรูปใหม่รูปยืนเกิดนะถึงแต่รูปนั่งดับพอรูปยืนเมื่อยเป็นทุกข์นั่งลงแก้ทุกข์ รูปนั่งเกิดแล้วถึงจะรู้ว่ารูปยืนหนักกรเรียกจะเห็นสารตติมันไม่ขาดเห็นยาหบทใหม่เกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่ายาหบดเก่าหนักแต่มันรู้ความเกิดขึ้นของอยาหบดใหม่ด้วยเราจึงจะเห็นความดับไปของอยาเก่าตามธรรมชาติธรรมดาค่อยเห็นสารสติสัมจัญญาเราเละเอียดเราค่อยจับได้เพราะนั้นไอ้ไอที่เราเปลี่ยนไปปุ๊บเราจะไปนึกออกดับวันนี้มันนึกออก มันนึกเอาแต่เห็นจริงๆมันต้องรูปใหม่เกิดรูปสาวถ้าเกิด้้รูปดูรูปาองอยู่นรูปเกิดเารียกว่านะแนั่งเป็นที่ค่ตัวอมแต่ันไม่อะไรลย้วก็ดูเลยโอ้สมาธิมันเข้าไม่่รู้รู้สึกตัวอ่ารู้สึกตัวอยู่อ่าแต่นี่มันจะ อืมมันเห็นอะไรล่ะถึงปวดหัวไม่ใช่มันเห็นอะไรล่ะมันต้องมีอารมณ์มันต้องมันมีอารมณ์อารมณ์ก็ต้องป้อนมาให้เราอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า อ, นนอ่าอ่าอ่าอ่านั่นสิถึงได้ถามว่าอะไรมันขึ้นมาอะไรมันขึ้นมามันมีสองอย่างกําลังจะถามว่ามันหดหูเนี่ยมันเบื่อเบือบ่อการดูนี่กิเลสอ่านั่นน่ะสิต้องต้องดูให้ดี มันขึ้นมาเพราะเบื่อในการดูนีกิเลสเกิดถ้าเห็นรูปเป็นจิตมันหดหูที่ปัญญาจะเกิดมันต้องเห็นรูปเป็นทุกข์ต้องเห็นรูปเป็นทุกข์หรือเห็นานามเป็นทุกข์ถึงหดหูถ้าไปดูไปดูไปถ้าดูไปดูไปมันเกิดหดหูขึ้นมาเนี่ยมันเบื่อมันเบื่อการดูถ้าว่างในสมาธิเข้าแล้วอ่าสมาธิเข้า อ่าสมาสมาธิมันขาดความรู้เป็นรูปอะไรขาดความรู้เป็นรูปอะไรนะก็สังเกตดีแต่ว่ามันยังคลาดเคลื่อนสังเกตเนี่ยดีนั่นแหละเราไม่เราไม่สนใจอัอนอื่นเจ้าพระเจ้าแสงมาเราไม่สนใจอเอาไม่เป็นไรต่อเช้า ต่อเช้าเอาเเาเาเอแล้วับวันนี้เอาแค่นี้นะฮะกาขอความเจริญพาสุขมีปัญญาจะมาเกิดแก่ทุกท่านทุอทุกกแล้วเชิญสวดมนต์ระวาสัง